คือหมายความเวลาเราง่วงขึ้นถ้าหากว่าเพิ่งช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราก็รู้จักว่าอาการไหนมันจะง่วงเรารู้ชัดว่าเออมันเริ่มง่วงมันเริ่มจะไม่ค่อยดีนะเรารู้ชัดอย่างนี้แน่นอนว่าถ้าคืนนั่งต่อไปมันต้องมาหนักแน่นอนเราก็เปลี่ยนมันนี่เขาเรียกวรู้ชัดถึงเหตุของมันรู้ชัดถึงเหตุเริ่มต้นไม่ใช่ไปรู้ชัดตอนที่มันเป็นหนักแล้วไปรู้ชัดตอนที่มันหนักแล้วก็เอาชัดยังไงก็เอาไม่ออกแล้วเพราะมันหนักแล้วนะ รู้ชัดหมายรู้รู้เหตุเหตุก็มีเหตุเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเหตุอย่างอ่อนอย่างกลางอย่างสูงถ้ารู้เหตุอย่างอ่อนเราไม่แก้มันก็จะเริ่มเป็นระดับกลางพอเหตุระดับกลางขึ้นอีกเราไม่รู้ท่านก็เหตุระดับสูงพอเหตุระดับสูงก็กลายเป็นผลที่เราจะต้องรับนั่นเขาเรียกว่ารู้ไม่ชัดถ้ารู้ชัดแค่เหตุเริ่มต้นเ้วก็แก้ละ อ, อาจจะลุกนีเรา อ, อาจจะ <ด>ยนนืนแก้ง่วงอันดับแรกก็คือเริ่มรู้แล้วก็คือเริ่มแก้เลยเริ่มแก้เล ย, เ, เ, ลยเพราะว่าเรา ไ, <ป S 1> ไม่ไหวผ้าป่วยให้ยาวไปนันหมายควา่าเราเริ่มเสพละเริ่มเสพเพราะในความง่วงมันมีอาสาทะคือมีรสชาติอยู่ระดับหนึง่งคือเราชอบเพราะว่าบางทีเราคิดว่าเราจะพักงี่นะมันก็เลยกลายเป็นหลับง่วงไปเลยคือเราบางทีเราก็สมยอมสมรู้ร่วมคิดกับมันมันก็เลยพาเราไป บางครั้งโดยเฉพาะเวลาเรานั่งพิงเก้าอี้หลังจากทานอาหารใหม่ๆช่วงกลางวันใช่ไมไม่ถึงห้านาทีอ่ะไปเลยแทบทลายนี่เท่ากับความรู้สึกตัวเราขาดใช่ไห ม, <c oughs> มก็ <c oughs> ไม่ความรู้สึกที่เป็นนิวร์เนี่ยมันแรงกว่ามันไม่ได้ขาดหรอกแต่กำลังมันไม่พอกำลังมันน้อยกว่าบางทีมั น, ม, นมันุ <c oughs> <c oughs> ๊บมันเลก็นั่นหมายถึงว่ากาลังที่จะไปรู้มันน้อยกว่าแต่ตัว กำลังของความง่วงคือไ อ, ไ อ, ไอความไม่กระพี่กระเปล่านี่นะมันมีมากกว่ามันก็เลยไปครอบงำตัวเหมือนกับเราจุดไฟ<อ>จุดเทียนไว้กลางลมอะไรเงี้ยนะแสงไฟมันก็แรงนะไม่ใช่ไม่แรงแต่ว่าแรงลมมันแรงกว่ามันก็พัดเอาไฟดับแต่ในกรณีที่เรารู้ว่าแถวนี้มันมีลมเราก็ไปจุดไฟในะที่บางลมซะหน่อยไฟมันก็ไม่ดับ เรารู้ว่าเออถ้าบรรยากาศมันนิ่ง่วงต้องมานะลมง่วงต้องมาแรงแน่เพราะฉะนั้นเราจะทํานั่งแบบนี้ไม่ได้ละเราก็หาวิธีป้องกันแค่ก่อนอันนั้นก็คือตัวสติเพืออย่างตั้งมันอยู่เหมือนจุดไฟในที่บังลมเรารู้เหตุว่าพอจุดขึ้นปั้มเนี่ยไฟมันเริ่มแกข่งเลยใช่ไหมรู้เหตุเออถ้าเหมือนเดินลมมันจะไม่อยู่นันเนี่ยไฟมันก็แข่งมากขึ้นมาขึ้นก็ดับอารมณ์เราในขณะที่มันง่วงก็เหมือนกัน อาการมันซลึมสลือเนี่ยเหมือนลมอ่ะใช่ไหมแล้วก็อาการที่เรารู้บ้างไม่รู้บ้างเหมือนไฟที่กําลังแก่งเนะเมื่อเรารู้ว่าอ๋อันนี้ไม่ได้แล้วเราก็หาทางออกไปจากมันด้วยการหลบไปด้วยวิธีการอื่นคือเยซูด้วยวิธีใดก็วางแผนแต่ส่วนให ญ, ญ่เราสมยอมทั้งนั้ น, นใช่ไหมนั่งดีว่าอย่างนั้นก็รู้สึกมีแรงเอมาทั้งนี้เอ <c oughs> <c oughs> ได้ง่วงสักพักหนึ่งถึงมีแรงได้ได้ได้ได้ได้ไดตอบสนองมันเสนหน่อยนะเอออันนี้ก็ก็มีเหมือนกันแต่ส่วนวหนึห<ะ>่งสาเหตุของความง่วงของเราคืออะไรสาเหตุของความง่วงที่กล่าวมาตอนเช้าจำได้ไหมหนงตอนหนูเอหนูรู้ว่าสาเหตุที่หนูง่วงเพราะหนูนอนไม่หลับตนอนกลางคืนกลางคืนนอนอไม่หลับเหรอมีวิธีแนะ น, นะคะก็คือเวลา ล, ล้มตัวลงนอนแล้วพยายามอย่าคิดอะไรให้ลู ให้ดูลมหายใจ อ, อก็ให้ดูลมหายใจแทนถึงหายใจเข้าออกเรื่อนๆไปดูไปเรื่อยๆอย่าไปอยากหลับนอนให้รู้ว่านอนเท่านั้นเองแล้วก็จับความรู้สึกถ้าเราอยากจะหลับเนี่ยมันจะไม่หลับเพราะมันเป็นเกิดความพยายามเพราะตัวหลับนั่นมันเป็นตัวอนัตตามันไม่ใช่ตัวที่เราจะมาเข้าบัญชาได้เพราะฉะนั้นน้าำมื อ, อนเป็นอนัตตาเราก็สร้างเหตุ ป, ปัจจัยให้ถูกต้องก็คือ เราเอาใจมาไว้ที่ใดที่หนึ่งใช่อย่าให้มันไปกับตัวอยากอยากจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่ง่วงกับหาเรื่องแล้ว ม, มันฝ <c oughs> ันฝัน น, น, นู่นฝันนี่อะไรแต่อะไรในตัวเองก็รู้ รู้คับบางทีต้องรีบลุกขึ้นมาเจริญสติอ๋อเลครับไม่ต้องฝันต่อไปฝันต่อไปเลยสนุกไหมกันไม่เลยครับมันแบบว่ามฟุ้งซ่านมันเอาไปอยู่เวลาปฏิบัติเนี่ยแล้วเวลาผมชอบจิตไหลอ่ะบอกยังไงได้จิตมันชอบไหลไหลไปไหนเ่ะไม่รู้งานเงินเข้ามาเต็มตามนี้อ๋อนเขาเรียกว่าฟุ้งนะแต่เขาเรียกว่าสตแอกุกุทัศนจ เพรามืเรารู้ว่าจิตมันไหลแล้วก็พยายามตั้งตั้งสติให้แรงๆหน่อยคือหมาความอาจจะสร้างจังหวะให้ไวแล้วก็หรือแรงหรือเดินจงกรมให้แรงหรือบางทีไม่ไม่แรงก็ทําตั้งใจให้ช้าไปเลยหมาความมีการตั้งใจเป็นพิเศษแต่การที่จิตมันไหลหมายความว่ามันใจไม่ตั้งแล้วแต่อะไรจะพั้งัมตใหบด เหมือนกับคุณตั้งน้ําแก้วหนึ่งแก้วใช่ไหมถ้ามันถ้าจะล้มคุณก็ต้องจับตั้งถ้ามันจะแต่ถ้าปล่อยมันล้มไปเลยมันก็น้ําไปไงก็ไหลไปหมดใช่ไหมคุณก็ตั้งใหม่มันถ้าจะเอียงก็ตั้งใหม่หมายความว่าจิตของเราเนี่ยมันตั้งในที่ที่ไม่สม่าเสมอหมายถึงตัวสติเนี่ยมันไม่สม่ำเสมอมันยังมันวูบไปวูบมาอยู่มันเอาแก้วไปตั้งที่ไม้กระดานที่มันไม่เที่ยงมันถ้าจะล้มอยู่เลย เหมือนควน้ำไปใส่แก้วมองเดิมเราไปตั้งมบนเสื่อนี่มันจะอยู่ให้ไหมเนี่ยพออะไรพอพื้นนี่มันไม่ไม่พื้นจิตของเราในขณะที่สติสมาธิยังไม่ราบเรียบเนี่ยพยายามตั้งสติให้มันราบให้ดีเหมือนก็เราเอามาตั้งที่มันเรียบๆแข็งนะก็ตั้งอยู่ที่ไตั้งบนก้อนทายเดี๋ยวก็ล้มละพอล้มปั๊บมันก็ไหลใจเราเหมือนกันเมื่อเราตั้งสติตั้งสมาธิไม่เข้มแข็งเนี่ยจิตเราก็จะไหลไหลไปสู่ความคิดอดีตอนาคตนะ เพราะนั้นเราก็มันเน้นตัวปัจจุบันคือตัวที่มันชัดเจนเข้มแข็งแล้วก็หนักแน่นก็เหมือนวางแก้วในที่ที่มันหนักแน่นราบเรียบมันก็ไม่ไหลอันนี้คือวิธีการต้องซ้อมทําดยบ่อยๆเพราะมันเป็นนามาทํมถ้ายัางพูดถึงว่าเออเอาแก้วน้ำไปตั้งที่ดีๆมันง่ายอใช่ไหม mm hmm. แต่ว่าใจเราไม่ใช่อย่างนั้นใจเรามันคือนํามาทําการที่จะตั้งไม่ใช่จับแก้วมาตั้งพื้นน่ยนะกวจะตั้งมันได้ก็พยายามมาหลายตั้งเลย ตั้งบ่อยมันจะเกิดประสบการณ์การู้การรู้ได้แต่รู้เบเบารู้ว่ารู้หนักเอะถ้ารู้แล้วแต่เหตุการณ์ถ้าขณะที่เราเข้านอนเนี่ยย่าไปรู้หนักๆกม่ได้มันจะนอนไม่หลับต้องรู้เบาๆรมหายใจอย่าไปร้องใจรู้มากๆรู้เบาๆแผ่วๆหายใจลึกๆเล่นๆหายใจเข้าออกไปยังไงมันจะหลับไม่หลับเป็นเรื่องของมันเรามีหน้าที่นอนเท่าเองนอนไม่หลับนะครับไม่ใช่ถ้าหากเราไปพยายามจะหลับมันจะนอนไม่หลับ เพราะฉะนั้นามาร้มหัวลงนอนเอามาก็คือที่ว่าวันนี้ได้ตายอีกวันหนึ่งแล้วอตายเราจะตายยังไงน้อให้สบายตั้งท่าตา ย, ยาี้ะ ค, ครับขอการถามครับแล้วถ้าเป็นอคนคิดมากครับผมตื่นก็คิดนอนก็ยังคิดอืมันจะฝึกยังไงดีครับเอก็นี่ดิเรารู้ว่าตัวคิดเนี่ยมันเกิดจากตัวลืมปัจจุบันใช่ไหม ปัจจุบันของเราคือนอนอยู่<า>ยใช่ไหมเมื่อนอนอยู่สิ่งที่ขนาดที่เรานอนเนี่ยมันมีอาการอะไรที่เราสามารถสังเกตได้บ้างในตัวเราเนี่ยนะพับต า, าปากหายใจมีใช่ไหมพลิกซ้าพลิกขวาเย็ยนร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงในร่างกายมีให้สังเกตตั้งแต่หัวโจยเท้าเท้าโจยหัวเล่นๆไปเรื่อยๆแหละเอาสิ่งที่มีเนี่ยมาพิจารณาแต่ความคิดที่มันขึ้นมามันเป็นสิ่งที่มีอยู่ไหม มันไม่มีมันเป็นความจําเป็นสัญญาเราดึงมาใช้แต่มันไม่ใช่เวลาที่ต้องใช้ขณะที่เรานอนแต่ขณะนี้เป็นเวลานอนสิ่งที่เราต้องใช้คือเอากายมาอยู่กับใจถ้าให้เอาความเหมือนพยายามเอาความคิดเราเนี่ยไปอยู่กับกายอ่าอย่างนันใช่ไหมครับเอาไม่ใช่เอาความคิดมาอยู่กับกายหมายให้ว่าดึงจิตมาอยู่กับกายกอ่าเพราะความคิดมันเป็นอย่างเหมือนเงาเนี่ยเห็นไหมถ้าสูงสุดหลวงพ่อเอามือไว้ที่กายนี่มีมีเงาไหม พอจิตออกจากกายปับ๊บเงาก็ปรากฏเงาคือความคิดจิตคือตัวนี้ความรู้สึกกายคือตัวนี้เมื่อดึงจิตเข้ามาอยู่ปับ๊บเงาก็ไม่มีเรื่องคิดอีกเงาก็ปรากฏใช่ไหมทีนี้เราไม่ชอบที่จะเห็นเงาใช่ไหมเราก็ดึงจิตเข้ามาอยู่ที่กายกายเนี่ยมาดึงจิตมาอยู่เฉยๆมันมั น, ม, น, ม, นมันไม่มีที่อยู่มันอยู่ไม่ได้มันก็ต้องหาที่อยู่ให้มันจะ อ, อยู่ไว้ตรงไหนบ้างอลมหายใจพี่ มือเล่นหือพี่มือเล่นเล่นก็ได้หาที่อยู่ให้มันสักที่หนึ่งชัดๆถ้าจับมาอยู่เฉยๆเนี่ยมันสติแล้ยังไม่แข็งแรงพอมันก็ไม่สติเองยังไม่ฝังลึกในในความรู้สึกทุกเซลล์ทุกส่วนนะมันก็ระ ล, ลึกชัดไม่ได้แล้วก็กระตุ้นให้มันมีที่อยู่ชั่งนิดหนึ่งหรือหมุนมือเล่นอะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่หลวงพก็จะแนะนําคือดึงลมหายใจเข้าออกเป็นการเจริญอนาปาบริตัวในขณะนอนนะ นอนปั๊บจะเดินนาาปาเลยมันก็จะได้ทักใะอีกแบบนึ่งให้ใจเข้าลึกๆเบาๆให้ใจออกเยอะเบาๆดูว่าเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนถ้ามันนอนไม่หลับเราก็ทําได้สมาธิได้มากขึ้นถ้านอนหลับแล้วก็แล้วไปมันได้ทั้งขึ้นทั้งรองอ่งแต่ประการสําคัญจิตมันมักไม่ค่อยอยู่อ้ น, นจะไปพ <c oughs> ะไปหรือเปลความคิดเออนั่น น, า น, น, า น, น, านั่นเพราะว่าเวลาเราตื่นขึ้นมาปั๊บเนี่ยเรา พอรู้สึกตัวปั๊บเอ๊ะเราไปอยู่ยกับลมหายใจเมื่อไหร่ลูกเออนึ่งนั่นะข้ อ, อ น, นั้นมันชํานาญแล้วแต่ในกรีของคุณเนี่ยยังไม่ชํานาญก็ฝึกให้ชํานาญเพราะฉะนั้นว่าล้มหัวลงหมอนเมื่อไหร่ก็หนึ่งถ้ายัางเจริญมาราณาสติยังไม่เป็นก็ให้มาเจริ ญ, ญานาฬป า, านาสติอย่างหลวงพ่อก็เจริญมาราณาสติเลยโอ้วันนี้ดีใจได้ตายสช่ทีอ่าพรุ่งนี้ค่อยเกิดใหม่ ตื่นขึ้นมาทีสองทีสาได้เกิดใหม่โอ้ดีใจแล้วันนี้เราจะทําให้ดีที่สุดเราได้เกิดใหม่แล้ววันนี้เราเออพอถึงเวลาตอนเย็นเออเราตายโอ้สบายใจแล้ววันนี้เราจะทําดีที่สุดแล้วเราก็ตายอย่างสมบูรอันนี้เราอยากจะตายอย่างสบายว้างอ่ะฝึกใจอย่างสบายดิเดยไปตายแบบรวดรุ่นลาย <laughs> าาให้เราเลือกได้ทุกวันเลยเลือกตายก่อนที่จะตายไม่ได้ฝึกเรื่องนี้ไม่ใช่จู่ๆจะทําได้นะต้องฝึก ถึงทุกวันทุกวแล้วไม่เกิดทักษะอย่างคุณเขียนหนังสือเนี่ยมันเมื่อก่อ น, นขอเขียนไม่เป็นแล้วันนอนดึกสักเคยหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ตีามตี 4, นอนเนี่ยโอนอนดึกขนาดนั้นเลยเหรอแต่ช่วงตีสามตีสี่เราพอดตื่นแล้วนะ่ะเ <c oughs> <c oughs> พราะคุณเพราะฉะนัน้นนี่คือความสับสนของชีวิตของเรานะแทนที่มันจะได้นอนสักสามสทุ่มมันไปนอนตีสามตีสีเนี่ยมันสับสนละเพราะว่าถ้าเรานอนดึกเนี่ยร่างกายของเราจะผิดปกติ เพราะการสร้างเม็ดเลือดขาวภูมิต้านทานของร่างกายเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงตั้งแต่5้าทุ่มถึงดีสองภูมิคุ้มกันนะหลังจาก5้าทุ่มถึงดีสอ ง, ง, ง, งวันแล้วเนี่ยร่างกายผลิตเม็ดเลือดขาวไม่ได้แล้วเลือดแดงมันจะเสียไปประมาณ44หยดต่อเม็ดเลือดขาว1หยดนะเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกหงยุยรู้สึกไม่เต็มรู้สึกจิตของเราก็จะไม่มี สมาธิจิตเขาจะแกว่งมันมันมันมันเบาจิตมันจะเบาแบบว่าไม่ใช่เบาแบบสมาธินะมันเบาแบบไม่มีน้ำหนักมันอะไรพัดไปมันก็ไปอ่ะอะไรกระทบอะไรนี่เนี่ยมันก็ไปกับเรื่องนั้นเลยอันนี้คือเราปรับในเรื่องวิถีชีวิตของเราไม่ถูกเขาเรียกว่าเป็นกรรมอันหนึ่งที่เราทำกรรมแล้วทำไมไม่นอนตามเวลาล่ะกับบ้านเรับ ทำไมกลับบ้านดแกอองทำงานไปแกลับอะไรเงี้ยอ๋อเลยไปพาลูกค้าเที่ยวมัอะไรมั่งเงี้ยอ๋อเลยนลูกค้าเที่นั่นดินอนดึกทุกวันหนึ่งเงแยก็นี่คือวิถีชีวิตของคนปัจจุบันเนี่ยที่เราทุกกันหลวงพอตัวนี้นะถ้าเราปรับชีวิตเข้ามาสู่วิถีปกติอย่างพวกหลวงพ่อทาเนาะแทบมันจะไม่มีทุกข์มันแทบจะไม่มีเลยนะทีนี้จะทำยังไงก็ต้องหา ประกอบอาชีพที่มันสอดคล้องกับทิฏฐิชีวิตที่มันถูกต้อง น, นะนะอาชีพไหนที่มันแมงเนาะขอโทษนะแมงมดที่มันเป็นบินได้ตกมามันก็เกาะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนทิฏฐิชีวิตซะใหม่ก็คือมาทํางานที่มันอาจจะรายไ ด, ไ ด, ได้ได้น้อยหน่อยแต่ได้นอนตามเวลาได้กินตามเวลาช่างมัน อาตมานเนี่ยไม่มีรายได้เลยก็อยังอยู่สบายยังหลับสบายยังตื่นสบายเราทําไมไม่เลือกชิ้นอยบานี้บ้างไงอ๋อเนี่ยเนี่แล้วมีทางฮงเลือกแบบนี้เลยครับอ้เนี่งเลือกแบบพอ่อยังเลือกได้เลยเ <c oughs> <c oughs> ข้าใจแล้วใช่ไหมว่าเราจะหลับง่ายได้อย่างไรก็คืออย่าเอาใจออกนอกกายขณะนอนทําไงถึงจะปลูกใจเพื่อกายก็ ช่วงแรกที่ผูกยังไม่ได้เพราะมันจิตมันยังแขว่งอยู่ใช่ไหมก็ามหาที่เกาะเกี่ยวให้มันถ้าเกาะเกี่ยวลมหายใจไม่ได้ก็พลิกมือเล่นสร้างจังหวะไปแล้วก็พลิกมือเล่นไป้็กลักบมาหาลมหายใจสวิงไปสวิงมาเงี้ยจะพลิกมือแต่ว่าที่พยายามนี่ไม่ใช่พยายามเพื่อจะหลับนะแต่พยายามที่จะทําจิตให้อยู่กับกายเท่านั้นเองมันจะหลับไม่หลับเป็นเรื่องของมันถ้ายิ่งไปมาเข้าไม่หลับมันยิ่งไม่หลับมันยิ่งตื่นมันยิ่งเตลิด นะเพราะว่าจิตของเรามันเป็นภาะวะทีแ่แต่ต้องอะไรมาแรงไม่ได้ต้องตะล่มต้องปลอมเก่าต้องหาใช้อุบายใช้ปัญญาก็าค่ะในลงปฏิบัติวันนี้ค่ ะ, ะก็คิดมากเหมือนกันคืออย่างก็พี่เดินไปเนี่ยจะคิดมาล้าง3ามเรื่องอัดเ น, นี่ยก็ใช้ความรู้สึกนะคะไปจับดูว่ามาอีกแล้ว อ, อ ย, ย่างเงี้ยก็สังเกตว่าเริ่มมาแล้วนะนี่เขาหายไปใช่นะอืมแต่ว่าเดินประมาณสองเที่ยวเนี่ยก็จะหลักเลยอะ อืออพอพอเราจับความคิดได้อาการง่วงอ่ะมันจะมาทันทีเลยค่ะแล้วทีมันก็จะง่วงตลอดพอพอทําให้หายง่วงได้มันมาอีกแล้วค่ะเราต้องจับเราไม่จับเราเห็นนะค่ะเห็นว่ามันคิดมหมีกแล้วมันเริ่มโผล่มาองเงี้ยไม่จับแล้วมันก็ไม่จับไมจับแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็มาอีกมอีกอย่งเงี้ยง่วงก็มาอีกง่วงก็มาตามมันเลยค่ะเรียกว่าจิตไม่มีที่ตั้งนะมันจะหาหาเรื่อง ทีนี้วิธีการนั้นเนี่ยเราอย่าใช่อุบายเดิมยู่หมายถึงว่าเมื่อความคิดมาเราพยายามที่จะไปจับอย่าไปจับความคิดมาจับความรู้สึกถ้าไปวิ่งจับความคิดเนี่ยก็เหมือนไปไ ป, ไปล็อกอเด็กที่เขาจะเล่นเนี่ยคุณไปล็อกจับเขาไว้มัดติดอูมัดขาติดหลักเอาไว้ไม่ให้เขาเล่นเนี่ยเขาก็ร้องหรือเขาหลับไปเลย แต่ปล่อยให้เขาเล่นนะแต่ว่าตรงไหนที่เขาไปแล้วมันจะอันตรายเขาก็เราก็หาเครื่องเล่นให้เขาให้เขาเล่นกับวัตถุสิ่งนั้นแจะเอากายมาเล่นเอาใจมาเล่นอยู่กับกายเล่นอยู่กับไม้กับมือกับเครื่องกับไหวนี่ซะเล่นให้ชัดแต่ทีนี้บางทีนร น, นั่งสร้างยภาวะเนี่ยเรากลับไปอยู่กับความคิดไปอยู่กับความม่วงแสดงว่าใจเราไม่มาเล่นกับสิ่งที่เราเราทําอยู่ เ<พ>ด็กแป<ม>๊บนึงค่ะพอทาได้แหนึ่งพอสู้ความง่วงไม่ไหวก็ปล่อยให้มันคิดเลยทีเนี้ย <c oughs> มันถึงได้ตื่นอ๋อเหรอเงั้นถ้า <พน S 2> ถ้าคิดแล้วมันจะตื่นใช่ไมถ้าคิดแล้วมันจะตื่นเาก็คิดให้เต็มที่เลยเออเอาหาเรื่องให้มันคิดเอาถ้ามันทาทาอยู่เอาพอเลยเอากูจะให้มึงคิดมึงแหมคิดเอาย้อนเลยเลยเออเอาพอเลยจับใส่เลยอย่าบอกให้มันคิดไม่คิดเออนั่นน่ะคุณเอต้องต้องใช้อวัยหน่อยนะเล่นกับจิตนี่นะต้องใช้อวายหน่อย เราก็บอกมออคิดจบแล้วเหรคิดอีกสิเหมือนกับเราแย่มันนะมันต้องใช้ปัญญานี้หน่อยแล้วสนุกถ้ามันจะง่วงมทำท่าอย่างนี้เรางก่อนเลยงกใส่มันเลยเอาง่วงไว้เดียวแล้วมันกลับไม่ง่วงมันจะต้องมีอุบายแปลกแกล้งคุณจะไปสู้มันตรงๆไม่ได้ลักษณะอาการง่วงมันเป็นอย่างเราล้อมันอย่างนั้นแหละ นั่นคือวิธีการที่เราจะแก้นะเคยแก้แล้วค่ะตอนอยู่แค่แสงเทียนนะคะแอยู่8ดเก้าวันก็คิดอยู่นั่นแหละคิดจนหมดยีหมดบนอ๋อคิดเรื่องเก่านั่นแหละคเหมือนแตกล้องอยู่งั้นนะคะอ๋อนี่เขาเรียกว่าระวังม่วังมนจะไม่คิดก็ย้ำคิดย้ำทำมาเรีิทิเช่นมันจะไปย้ำก็ไม่ไปหีอ๋อก็พยายามใหม่พยายามที่จะหาถ้ามันชอบคิดก็คิด ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันเนี่ยคิดว่าทําไมมือมันจึงยกทําไมเราจึงนั่งได้คิดในส่วนที่ส่วนทางมันอย่ไปคิดในส่วนที่มันผาไปหาเรื่องใหม่ๆมาคิดเรื่องเก่าๆอย่ไปคิดมันซ้ำซากเรื่องอะไรที่ใหม่ๆที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยซึ่งมันมีเยอะแต่ว่าเนื่องจากเราอย่างหาวายมันคิ ด, คดไม่คิดไม่ทันะนะก็ไปตกลงที่เดิม เพรนั้นเบื้องต้นเนี่ยพยายามที่จะรักษาตัวความรู้สึกตัวเนี่ยประเภทอย่าให้มันชินให้ช้าเป็นพักๆกเร็วเป็นพักๆถ้าอย่าช้ากต่ช้าตลอดเร็วก็เร็วตลอดมันเป็นโทนเดียวแล้วจิตมันจะไปตกล่องเวลาไปคิดก็คิดเรื่องนั้นตลอดมันก็เหมือนอาการของจิตนั้นสร้างจังห ว, วะหนักบ้างเบาบ้างาเร็วบ้างช้าบ้างนั่งบ้างยืนบ้างสลับกันไปอย่าไปอยู่ท่าเดียวนาน พอจิตของเรามันยังไม่เข้มแข็งว่าไปอยู่ท่าไหนนานมันก็จะหมดกําลังเหมือนเราขับรถอะใช้เกียร์เดียวนานไปไงไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์เนี่ยลากเกียร์รถหมดกําลังใช่ไหมผมก็ต้องปรับเกียร์เพราะว่าการอย่างรถมันวิ่งมันไม่ใช่ทางราบตลอดบางทีขึ้นมันลงใช่ไหมการเปลี่ยนเกียร์ก็เหมือนกันอารมณ์ของเราเมื่ขึ้นลงลงเนี่ยเราไม่ยอมเปลี่ยนท่าไม่ยอมเปลี่ยนเกียบทก็เหมือนรถไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์มันก็หมดกําลังเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยน ถ้าเปลี่ยนเกียร์บ่อยๆแล้วมันมีกำลังแล้วง่วงมันก็เข้ามาไม่ได้แต่ที่เรานั่งเนี่ยเข้าเกียร์นั่งเกียร์เดียวบางทีเรามีทั้งสี่เกียร์ใช่ไหมเกียร์ไหนบ้างเกียร์ยืนเกียร์เดินเกียร์นั่งเกียร์นอนถ้ามีเกียร์ถอยหลังเลยนะเดินได้ก็ถอยหลังได้มีทั้งห้าเกียร์เราก็ใส่เกียร์เดียวเกียร์นั่งเกียร์เดียวพับแล้วพับอีกก็ไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์เออมันก็ไปไม่ได้หมดกําลังอเพราะฉะนั้นเปลี่ยนอียรบทช่วยมัน เดินหน้าถอยหลังหมุนซ้ายหมุนขวาทาอยู่อย่างนั้นแหละพอมันประมาณสักบ่ายสองโมงหรือบ่ายสามโมงมันก็อ่อนตัวแล้วคมง่วงนะในช่วงที่ความง่วงยังมีกําลังอยู่อย่าเพิ่งนั่งเดินไปนู่นไปนี่สักพักก่อนเดินกับที่บ้างเดินเข้าป่าเดินเหยียบน้าบ้างเดินเหยียบไม้บ้างไปเดี๋ยวมันตื่นนะเห็นใครมาเดินดับราดบง่วงมาบอกไปเดินข้างล่างที่มันมีหินแบกเหยียบหิน โยมคนหนึ่งถอดรองเท้าเดินเมื่อวานไปเยียมหินหินบาดเท้าเขาไปอีก ว, วันนี้ก็เลยเดินไม่ได้ต้อใส่รองเท้าเอออย่างงั้นก็มีมีคนค่อย ไ, ได้นะอันนี้คือข้อสงสัยจบแค่นี้นะต่อไปหลวงพ่อก็จะพูดเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวทีนี้วันนี้ทั้งใจจะพูดถึงเรื่องที่สืบเนื่องมาตอนเช้าซึ่งพวกเราอาจจะใหม่สําหรับเรื่องนี้ คืเรื่องของเหตุปัจจัยที่ทาให้เกิดความคิดแล้วความคิดเกิดขึ้นได้อย่างไรนะความคิดเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยทุกอย่างมันมีเหตุนะที่จะเกิดเนี่ยไม่ใช่จู่ๆมันจะเกิดนะนะมันมีเหตุพุทธศาสนาที่เราเชื่อที่เหตุความคิดเป็นเหตุหรือเป็นผลความคิดที่เกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุหรือเป็นผลสิ่งไหนที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นเป็นผล นะมันจะต้องมีเหตุใช่ไหมเหตุของความคิดคืออะไรเหตุของความคิดคือไม่ใช่เหตุของความคิดคือความลืมลืมรู้สึกลืมตัวคือไม่รู้เราถึงคิดอะถ้ารู้เราจะไม่คิด แส้นเราคิดพอเราไม่ร <y ow nicer> ู <y ow ceksin> ้แต่เราคิดด้วยความรู้นั้นเราไม่เรียกว่าความคิดเราเรียกว่าปัญญานะเราคิดด้วยความรู้คิดด้วยเหตุด้วยผลที่ความเป็นจริงนะนั้นเรเรียกว่าปัญญาแต่คิดมาไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีกาลเทศะไม่มีข้อมูลไม่มีความจําเป็นเราเรียกว่าสังขารหรือความคิดปุงแต่งแต่เราคิดด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติปัญญาดุกาลเทศะตามความเป็นจริงเราเรียกว่าปัญญา ความคิดมีสองอย่างคิดโดยเจตนาจะคิดเรียกว่าปัญญาคิดโดยที่ไม่เจตนาเรียกว่าสังขารด้วยกิเลสอันนึงคือเหตุของความคิดเพราะความคิดมีมาสองเหตุหนึ่งเหตุอวิชชาไม่รู้จึงคิดเผลอจึงคิดหลงจึงคิดลืมจึงคิดอยากจึงคิดนี่มาเหตุมาจากความไม่รู้คืออวิชชาสองคิดเพราะวิชา จำเป็นต้องคิดถึงเวลาต้องคิดแล้วก็ตั้งใจคิดแล้วมีเหตุมีผลใวยคิดคิดด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเป็นจริงสอของตามความจริงรู้ ก, กาลเทศะแล้วหมดความจะเป็นเลิกคิดตรงนี้เขาเรียกว่าปัญญานี่คือเรื่อมาเหตุมาจากวิชาเหตุมาจากตัวรู้จำเป็นต้องใช่ใช่ไหมอันนี้เห็ุความคิดมีสองสาเหตุสาเหตุความคิดที่ทาให้เกิดทุกข์สาเหตุมาจากอะไร วิชาความคิดที่เกิดท้าก่อให้เกิดการดับทุกข์ดับปัญหาได้เรียกว่าคิดด้วยวิชาคิดด้วยวิชาจะออกผลมาเป็นปัญญาคิดด้วยอวิชชาจะออกผลมาเป็นตัณหาเพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันของเราเราใช้ความคิดประเภทไหนสองอย่างนี้มากที่สุดอวิชถึงได้ทุกข์มากทุกเอาทุกเอ า, เอาใช่ไหมทีนี้เพราะเหตุอะไรจึงชอบคิดด้วยอวิชชาทั้งที่เรามีทางเลือกคิด ในส่วนที่เป็นวิชาก็ได้ทําไมเราไม่เลือกคิดสิ่งที่เป็นวิชาเพราะอะไร <c oughs> <c oughs> มันง่ายมัน่า่ไหมอนั่นแหละเพราะมันง่ายเมื่อมันเนี้ยเพราะอะไรจริงง่ายก็เพราะว่ามันเป็นสั้ชาติยานนะเป็นชั้นชาติยานแล้วเราไม่ต้องไปเตรียมอะไรข้งนั้นไม่ต้องคือมันเป็นการผ่อนคลายชนิดหนึ่งนะได้คิดนี่นะใช่ไหม ได้ปล่อยหัวได้ที่เป็นการผ่อนคลายมันก็เลยเป็นความสุขทีนิดหนึ่งที่ที่ได้ผ่อนได้คลายได้ปล่อยความคิดไปตามอารมณ์แต่ว่ามันไม่ใช่เป็นการปล่อยวางแต่ว่ามันเป็นการปล่อยใจคุณนี่ปล่อยกายปล่อยใจด้วยกันเขาว่าเราอย่างนนี้เป็ไงคุณนี่ปล่อยนึกว่าปล่อยดัวเป็นความหมายที่ไม่ดีเลยใช่ไหมแม้คนนี้เขาดีนี่เขาปล่อยวางเออความหมายดีใช่ไหมเออคนปล่อยวาง คำว่าปล่อยวางนี่หมายถึงว่ารู้แล้วทิ้งแต่ว่าคำว่าเอาปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใจคือไม่รู้แล้วถึงปล่อยปล่อยด้วยความไม่รู้ก็จะคกอการเสียหายใช่ไหมถ้าปล่อยด้วยความรู้แบบของมาเออเรารู้สึกหนักแล้วก็วางลงมันก็เบาใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเกิดแบบของมามาหุดบาดด้วยไม่รู้นะพัวลงไปเนี่ย ไม่คานหักบ้างหรือหลงลืมเรามัหลุดของที่ตกไปเองไงแตกเสียหายนี่คือปล่อยวางและปล่อยทิ้งเนี่ยต่างกันดังนั้นการเรียนรู้วยการปล่อยวางต้องปล่อยทิ้งเป็นวิชาหรืออวิชาปล่อยทิ้งเพราะปล่อยด้วยความไม่รู้อะเป็นวิชาหรืออวิชาเป็นนวิชาถ้าปล่อยวางเป็นวิชา เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงสั่งสมวิชาให้มากคําว่าวิชาในที่หมายถึงตัวรู้ตัวรู้สึกตัวตัวรู้กายตัวรู้ใจและรู้ในที่นี้จะไม่รู้จากความจําจะอยู่เหนือความจําความจําเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงฮความจําที่เที่ยงหรือไม่เที่ย ง, เ, ยงเพราะจำแล้วมันลืมลืมแล้วเดี๋ยวก็จําใช่ไหมมันไม่เที่ยง แต่ตัวรู้มันไม่ใช่มันไม่ใช่สัญญาตัวรู้คือวิชาเป็นภาวะที่มีมาตั้งแต่เกิดถ้าเมื่อไรเราหมดตัวรู้เมื่อนั้นเราก็ตายใช่ไหมเราเกิดมาถ้าเด็กคนไหนเกิดมามันไม่รู้สึกตัวหรือมันไม่รู้เขาก็จะทำไงเขามาร้องเข็ตีคนให้นมนร้อ ง, องแล้วมนร้องว่าไงร้องว่าเอาแวเอาแหววอาแววภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรแปลว่ารู้ตัว ใช่ไหมเราก็มองอย่าบอกอุแวะคงจริงมาจากคาเอาแวใช่ไหมลองมาตกใจเออลองเพราะมันรู้ตัวไม่ถูกใจเอาแว่แปลว่าตัวอันเอาแวแปลว่าไม่รู้ใช่ไหม้องเอาแวอาแว่เราก็มาเพี้ยนไปภาษาเราอุแวอุแว่ควจริงมาจากคาเอาแวฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วเราก็ตกในให้มันรู้แ่ะเพราะฉะนั้นสาเหตุที่เราคิดมี2ลักษณะหนึ่งคิดด้วยสัญชาตญาณ ตัวคิดด้วยสัญชาตญาณมันจะไหลออกมาจิตใต้สํานึกตัวนี้ฟังให้ดีนะความคิดที่ไหลออกมานั้นเป็นความคิดที่เป็นสัญชาตญาณไหลออกมาจิตไร้สํานึกที่เขาใช้ว่า subconscious นะ subconscious หรือเราใช้คําว่าผวังค้าจิตในภาษาบาลีนะแต่ว่าความคิดที่เราตั้งใจคิดเราเรียกว่าจิตรู้สํานึกมันเกิดจาก จิตที่เป็นมโนวิญญาณเรียกว่าจิตรู้สํานึกและจิตไร้สํานึกเรียกว่าพวังข้าจิตพวังข้าวิญญาณภาษาจิตเรียกว่าสับคอยเช็ดเรียกว่าเราจิตไร้สํานึกจิตไรสํานึกเกิดจากอะไรเกิดจากว่าเราได้รับการกระทบจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ตลอดเวลาเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่จิตใต้สํานึกได้ซึมซับไว้เรียบร้อยละนะ เราจะชอบหรือไม่ชอบก็าตามจิตได้สานึกเราสึ่งซับไว้เรียบร้อยแล้วโดยความไม่รู้ <c oughs> ทีนี้มันพัานเพื่อเปลืยกเส ม, มือนบ้านสองชั้นชั้นล่างเป็นเบสเมนต์แต่บ้านเราไม่ค่อยไม่นิยมสร้างเบสเมนต์ใช่ไหมเบสเมนต์คือห้องอะไร <c oughs> ห้องใต้ดินนะเป็นเบสเมนต์คือห้องใ ต, ดต้ดินแต่หทางอเมริราการนี่เป็นเรื่องบ้านสร้างบ้านเขาต้องมีเบสเมนต์เพื่ออะไร เพื่อไว้เก็บของต่างๆน้ําไฟแอร์ฮีตต่างๆเขาวไว้ใต้ถุนหมดเพราะว่าทางยุโรปอเมริกา อ, อากาศมันหนาวก็หนาวจัดร้อนก็ร้อนจัดใช่ไหมเพราะฉนั้นเขาสร้างเบสเมนต์เอาไว้เพื่อเก็บฮีตเก็บแอร์เก็บของอะไรต่างๆที่ไม่จําเป็นไว้ข้างใต้ถุนจิตไร้สํานึกของเราก็เหมือนอย่างนั้นคือชั้นเบสเมนต์คือใต้ทุนสิ่งทั้งหลายที่ไม่จําเป็นมันจะเก็บไว้ตรงนั้นก่อนเมื่อไหร่มีความจำเป็นก็หยิบขึ้นมาใช้ แต่ว่าชั้นใต้ถุนนั่นเองมันก็จะเป็นที่หลบของมแมลงแมงมด ต, ต่างๆใช่ไหมเพราะข้างบนมันอยู่ไม่ได้โดนญ้าบ้างโดนไล่บ้างอะไรก็หลบไปอ้างใต้แต่เมื่อไรเจ้าของมันเผลอแมลงแมงมดทั้งหลายเป็นไงมันก็ขึ้นมาหากินอาหารพวกหนูพวกอะไรต่างๆชั้นใดก็ดีจิตได้สานึกเนี่ยเมื่อเรารับตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกระทุบเสียงกินรถทุกครั้งเนี่ยขณะนี้มีการกระทบไหมอะไรกระทบอะไรขณะนี้ มีอะไรมากระทบเราบ้างขนานี้หนึ่งอะไรตาไม่เห็นเห็นไหอตาเห็นสัมผัสใช่ไหมสองหูได้ยินเสียงเสียงอะไรบ้างทั้งเสียงประดานกูทั้งเสียงใช่สองอะไใช่ไหมสามขณะนี้ร่างกายเราเป็นไงอะไรมากระทบบ้างลมเบาๆใช่ไหม ไม่ร้อนเกินไปเย็นสบายรู้สึกเป็นไงสบายไหมมันก็ซึมซับความสุขเอาไว้ข้างในแต่ถ้าเสียงที่หลวงพ่อพูดพูดแล้วฟังไม่เพาะไม่พอใจถูกด่าถูกว่าถูกประมาทก็เกิดความไม่พอใจมันก็ซับเอาไว้เออฟังแล้วรู้สึกสมนี้ได้ความรู้เกิด ค, ความพอใจมันก็ซับความพอใจเอาไว้โดยที่เราไม่รู้เลยเมื่อเจตนาที่จะเก็บแต่ว่าจิตมันยิ่ซึมซับเรียบร้อยแล้วอย่างน้อยในขณะนี้คือตาเห็นใช่ไหม โมได้ยินถ้าหลวงพ่อเป็นดาราลแหละแล้ก็ดูด้วยความชอบนะหน่าดูด <laughs> จิตมันก็ซึมซับเอาความชอบมาไว้อีกเยอะถ้าหลวงพ่อเป็นคนขี้เหร่ล่ะหน้าเหมือนสังทองสีใสเนะอไม่น่ามานั่งเสลดูเสียเวละมันก็จะซึมซับเอาความไม่ชอบมาไว้โดยที่เราไม่มีเจตนาเลยนะแต่ว่าจิตมันทําหน้าที่ของมันเองนี่คือความที่จิตซึมซับเอาโดยที่ไม่เราไม่รู้เลยเขาเรียกโมหะหรืออวิชชาเรีวยกว่าจิตไร้สํานึกไง นะเอาละหูได้ยินตาเห็นขณะนี้ร่างกายสัมผัสเย็นล้อนอ่นแข็งเครื่องตึงขณะนี้นะจะมือได้กลิ่นไหมไม่มีจะมาดิ้นสับรถพับรถไหมไม่มีใจรู้ไหมอ่าใจรู้รเพราะฉะนั้นอย่างน้อยทีนี้ก็คือรูปกระทบตามีอยู่ขณะนี้นะเสียงกระทบหูมีอยู่ลมเย็นร้อนอ่อนแข็งเครงตึงกระทบกายมีอยู่สามทางไล้ใช่ไหม จิตรับรู้อยู่สี่ทางแล้วสองทางที่ไม่ได้รับขณะนี้ก็คือจมูกกับปากลิ้นใช่ไหมเน่เห็นไหมรับเข้าไปสทางในขณะเดียวกันน่ะแล้วมันผ่านไปชั่วโมงน่ะนึกรู้ว่าจิตใต้สำนึกของเรามจะซึมซับเอาสิ่งเหล่านี้ไปมากแค่ไหนแล้วจึงไม่ต้องสงสัยว่าความคิดทําไมมันเยอะเหลือเกินเพราะมันได้เก็บเอาไว้ตลอดเวลาเมื่อเผลอเมื่อไหร่มันก็ไหลออกมาแล้ววันหนึ่งเราเผลอเท่าไหร่ เผลอเมื่อไรคิดเมื่อนั้นเหมือนกับเราเผลอเมื่อไรเนี่ยมดข้างใต้มันขึ้นมาเมื่อนั้นน่ะที่มัอยู่ใต้ถุนใต้เบสเซ็มดเดี๋ยวแมงเสียบแมงสาบนกหนูอะไรต่างๆที่มันชอบอยู่ข้างบนมันขึ้นมาหากินอาหารใช่ไหมแต่ถ้าเจ้าของมีสติอ้อไล่เก็บไล่กวาดไล่ฉีดไล่มันก็ไม่กล้าขึ้นมาอีกล้เดี๋ยวพอเผอเจ้าของบ้านมัอยู่มันก็ขึ้นมาอีกแล้ฉีดเราก็เหมือนกันเจ้าของบ้านคือใครคือสติพอเผอปั๊บ คิดได้สํานึกที่มันสั่งสมตลอดเวลามันก็ต้องไหลขึ้นมาลักษณะที่มันขึ้นมาเองโดยที่เราไม่รู้ท่านเรียกว่าอาสวะแปลว่าไหลออกมาคําว่าอาสวะสติแตกวะครับฮะแล้วมันสติแตกไหมอ๋ออันนั้นแรงไปยังไม่ถึงเมื่อต้องสติแค่ลืมสติแค่นั้นน่ะมันไม่ต้องรอแตกอ่ะแค่ลืมสติแค่นั้นมันก็ไหลออกมาแล้วเพราะฉะนั้นไอการที่เราเรื่องเราคิดเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากๆเพราะมันได้ซึมซับเอาไว้ แต่ถ้าเกิดมันคนนั้นไม่คิดสิเป็นไงมันจะเกิดอาการเครียดเพราะมันเก็บเอาไว้เต็มที่แล้วมันไม่ได้ระบายใช่ไหมคนที่เก็บกดตัวเองจึงมีปัญหาไงเครียดปัญหามาเข้ามาเข้าเกิดอะไรนอนไม่หลับเครียดมาเข้ามาเข้าเป็นไงกิดยากล่อมภาษาทิดยาในที่สุดไม่มีทางออกคิดหนักเข้าหนักเข้าไม่มีทางระบายเป็นไง ฆ่าตัวตายเนี่ยเห็นไหมโทษของการจัดการตัวจิตได้สํานึกไม่ถูกมันจึงออกมาอย่างนั้นดังนั้นปัญหาใหญ่ที่สุดคือกันที่เราจัดการไม่ไม่แปลงจิตไร้สํานึกให้เป็นจิตรู้สํานึกการที่เรามาเจริญสติปัญญาเจริญปัญญาเนี่ยเพื่อมาจัดการให้จิตที่ไร้สํานึกที่เราเก็บไว้มากมายมหาศาลนี่แหละให้ออกมาเป็นจิตรู้สํานึกเมื่อจิตเป็นจิตรู้สำนึกก็จิตนั้นก็จะมีเหตุมีผล เพราะนั้นเราจึงใช้ความผิดในการทำงานเราจึงผลิตอะไรออกม า, มามากมายด้วยอำนาจของจิตที่มันซับไว้ข้างในนั้นผู้ปฏิบัติเราไม่ต้องการให้จิตไร้สำนึกออกมาทำหน้าที่โดยไม่รู้ตัวแต่เราพยายามระบายจิตไร้สำนึกให้ออกมาทำหน้าที่เป็นจิตรู้สำนึกและจิตรู้สำนึกมันก็ออกําหน้าที่มาเป็นสติสมาธิและปัญญานั่นคือ จิตรู้สำนึกนะ เ, นเมื่อจิตรู้สํานึกนี้ออกมาทําหน้าที่แทน ม, มันจะกลายเป็นแสงสว่างนะแต่ถ้าจิตไร้สํานึกถ้ามันออกมาโดยที่ไม่มีระบบมันจะกลายเป็นอะไรไฟช็อต <c oughs> มันออกมาผิดระบบนะนะถ้าเป็นแก๊สจะเปิดแก๊สทิ้งเอาไว้โดยที่ไม่ได้ใช้พอ แช่ไฟคือมาทีติดไซก็ตไฟเบินทั้งบ้านเลยที่ไฟไหม้บ้านเขาพ่อยี่นี่แหละนะหรือไฟด้านวงจรก็เพราะว่าจิตไร้สำนึกไม่ได้ถูกต่อออกมาเป็นระบบของเราก็คือเป็นโรคจิตโรคประสาทโรคเครียดโรคนอนไม่หลับเนะื่องจากที่เราบริหารจัดการจิตไร้สำนึกไม่ถูกอันตรายใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีหน้าที่ในการบริหารจิตไร้สำนึกให้ถูกด้วยการมาเจริญสติสมาธิปัญญาไม่มีทางอื่นเลยนะ ดังนั้นโลกสมัยใหม่โลกปัจจุบันนี้ยิ่งมีการกระทบที่รุนแรงใช่ไหมเราก็มีความรุนแรงของความพอใจไม่พอใจจิตใจสมนสี้ก็ซึมซับไว้เยอะซึมซับเมืนอนมันเต็มกล่องอ่ะเต็มเมมโมรี่ทำไงทีเนี้เมมโมรี mm ่ hmm. มันเต็มอ่ะมันก็เป็นไงรักไม่ได้เพิ่มกลองใหม่เปลี่ยนกลองใหม่เออเปลี่ยนเปลี่ยนเมมโมรีสติ๊กใหม่ <laughs> มันเปลี่ยนไม่ได้แล้ว ไม่รู้พ่อแม่ให้ให้เรามาคนละกี่กิ๊กไม่รู้นะถ้าคนให้มาน้อยกิ๊กระบบเก่านี่เดี๋ยวก็เต็มก็เรียกว่าคนนั้นเยอะบิบัติปฏิบัติปฏิบัตไปปิบัติไ ป, ไ ป, ไปแล้วมันมันการสมัมผัสมันขาดออกเป็นสัวความเป็นยังไงอ๋ออันนั้นปัญหาลึกเกินไปพวกนี้เขาจะฟังไม่รู้เรื่องโยม อ, อยูมคุณ <ใน S 2> ถามน<ด><ล>ะปัญหาไกลเกินตัวเพราะฉะนั้นอ๋อเป็นความอยากไม่ใช่ความจริงน ดังนั้นเราจะต้องศึกษาเรื่องนี้ใหเข้าใจแล้วเราจะเห็นความสําคัญของการปฏิบัติแล้วเราจะไม่ต้องมาให้ใครมาเชี่ยวเข็นให้มากระตุ้นให้ลำบากเราพอใจที่จะทําเองเพราะอะไรเพราะเราเห็นความสําคัญว่าถ้าเรามีสติสมาธิที่ดีแล้วเราสามารถที่จะพบบริหารหลุมสมบัติมหาศาลของเราคือจิตและสมบุกเป็นขุมสมบัติถ้าเราบริหารมันดีแล้วมันจะให้ความสุขความแสงสว่างให้ความ อเยือกเย็นความสบายแกเราขนาดไหนแต่ถ้าเราบริหารมันให้เป็นมันให้ความเดือดร้อนเราขนาดไหนจิตไร้สำนึกตัวเนี้ใช่ไหมเหมือนเราบริหารไฟดบริหารเป็นโอ้โหให้แสงสว่างทั้งเมืองก็ยังได้เลยใช่ไหมไฟได้ทุกระบบเลยเพราะบริหารไฟเป็นแต่เมื่อไหรบริหารผิดพลาดไป็นไงไฟไหม้ทั้งบ้านเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเมื่อไรเราบริหารจิตไร้สํานึกให้เป็นจิตรู้สํานึกเป็นเรามีสติปัญญาเกิดขึ้นมากมาย ได้สติปัญญานี้ทำให้เรามีชีวิตมีความสุขสบายใช่มเราต้องการหาทรัพหาศิลก็ได้ต้องการหาความสุขจากสมาธิก็ได้ต้องการหลับเมื่อไหร่ก็ได้ต้องการทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องการคิดเมื่อไรต้องการไม่คิดก็ได้ปิดเปิดสวิตติดที่ใจของเราได้เรียบร้อยเลยแต่ทุกวันนี้ต้องการปิดมันกับเปิด ต้องการเปิดมันกับผิดต้องการหลับมันกับไม่หลับต้องการตื่นมันกับหลับอะไรต้องการไม่ง่วงมันกับง่วงอย่างงี้นะมันไม่ได้ติดสวิตช์ที่ใจของตัวเองไม่มีออฟมีออนตรงนั้นอ่าอันนี้คือปัญหาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เป็นวัตถุภายนอกขอนเขาค้นพบวิธีการหมดแล้วทางด้านวิทยาศาสตร์แต่ว่าทางด้านนมามธรรมเนี่ยเรายังมีผู้เชี่ยวชาญ น, น้อยเกินไปนะเพราะมันเป็นนมามธรรมคนก็ไม่อยากจะทําทเพราะอะไร เพราะว่ามันจับต้องยากนอกจากคนมีปัญญาเท่านั้นที่จะมาศึกษาเรื่องนี้เพราะนั้นที่หลวงพ่อได้กล่าวตอนชา ว, ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาของคนมีปัญญาคนที่มีปัญญาที่จะมาสนุกเรื่องนี้แต่คนที่มีปัญญาน้อยได้พยายามศึกษาตามเข้าไปเรื่อยก็มากไปเองแต่คนที่ไม่ศึกษาเรื่องนี้ก็จะไม่เกิดปัญญาทางนี้แล้วถึงไม่จะเกิดปัญญาทางโลกมากมายก็ไม่ใช่ทางนี้นะแล้วคนก็เลยคนเก่งเท่าไหร่ก็หันไปจับทางด้านวัตถุมันง่ายกว่า ได้เงินได้ทองได้ดําได้รวยใช่ไหมทางวิทยาศาสตร์ทั้งหลายค้นคัวไปเรื่อยๆก็ เ, เ, เป็นเจ้าของกิจาการ แ, แงารงงานต่างๆก็มีทรัพย์มี ส, มสินใช้แต่ถามเขาว่าเขามีความสุขไหมไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวก็ขัดแยง้งผลประโยชน์กันก็สร้างสมคามลบพุ่งกันตลอดนี่พวกนักวิทยาศาสตร์นักการเมืองนักการบริหารทั้งหลายใช่ไหมบริหาราไปบริหารมาก็มึงได้มากกูได้น้อยก็ต้องแย่งชิงกัน เกิดประเทศมหาอำนาจประเทศเล็กเพ่อนาแย่งชิงรบราคาฝันกันไม่จบที่มันรบกันทุกวันเพราะอะไรเพราะแย่งผลประโยชน์กันอ่าอันนี้คือความเดือดร้อนของคนทั้งโลกก็เพราะ ม, มากันบริหารทางนาจิตสำนึกไม่ไม่ดีนั่นเองนะทีนี้ต่อมาเราจะทำอย่างไรถึงจะศึกษาเรื่องนี้ได้เหมือนกับรูปธรรม ถ้าเป็นนำมาทำรู้ว่ามดุดไปด้านเลยนึกอะไรไม่ออกใช่ไหมแต่จะทำยังไงให้มันสิ่งที่จับต้องได้เนะี่ยไม่มีทางอื่นเลยหนึ่งต้องมีศรัทธาที่จะอยากจะรู้เรื่องนี้นะสองต้องลงมือเรียกว่าความเพียรสามมีเครื่องมืออีกสามชิ้นคือสติสมาธิปัญญามีศรัทธาและความเพียร ด้วยทำให้เกิดสติสมถิปัญญานะไม่ได้ทำให้เกิดเรื่องอื่นนะถ้าไปทำให้เกิดเรื่องอื่นศึ่ษสาเรื่องนี้ไม่ได้ต้องเกิดสติสมถิปัญญามี อ, อคุณสมบัติอย่างน้อย5้าประการคือมีศรัทธาและความเพียรเป็นเบื้องต้นมีสติสมถิปัญญาเป็นส่วนที่จะเป็นเครื่องมือถ้าใช้จะทำอย่างอื่นเครื่องมือไม่สำเร็จเราจึงมาทาเรื่องนี้ไงวนัวนนีมีศรัทธา ไม่ยอมฉลองปีใหม่กับเขาเลยศรัทธามั่งตั้งมันแค่ไหน <c oughs> ใช่ไหมไม่ยอมไปลุยเขาเลยละ่ะนี่คือศรัทธาใช่ไหมอสองเพียรเรานั่งโดยจุคุมสร้างจังหวะได้ทั้งวันน่ะถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรจะทําได้ทั้งวันหนูเรื่องอะไรอยามานั่งมองเงีง ๆ, ๆ, ๆอย่างนี้ใช่ไหมไปหาเงินหาทองหาเส้าหาของอะไรได้มากกว่านี้แต่ทํานี่พราะเรามีความเพียรเรามีความมุ่งมัน่นเรามีศรัทธาแล้วทําไปแล้วเขาว่าสติ เราพยยังให้เกิดความรู้สึกตัวบางคนก็เริ่มรู้บางคนก็ยังไม่ชัดเจนก็สร้างเครื่องมือนี้ซะก่อนสร้างสติให้เป็นเครื่องมือสติมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ถ้าเป็นเครื่องมือก็อยังไม่เข้มแข็งพอนะยังไม่เข้มต้องสร้างเครื่องมือชิ้นนี้ให้เข้มแข็งนะแล้วก็เมื่อเราสร้างความรู้สึกตัวได้มากขึ้นความที่หลวงพ่อว่าตอนเช้าว่าสติเมื่อมันเข้มแข็งแล้วมันจะกลายเป็นอะไร สมาธิสัมปชัญญะก่อนใช่ไหมเมื่อสัมปชัญญะเข้มแข็งตัวเนื่องแล้วมันก็กลายเป็นสมาธิสมาธิเข้มแข็งตัวเนื่องแล้วมันจะกลายเป็นปัญญาอ่ามันก็จะพัฒนาไปตามลําดับทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าขณะนี้สติกลายเป็นสมาธิแล้วนะหรือกลายเป็นสัมปชัญญะแล้วนะขณะนี้สัมปชัญญะกลายเป็นสมาธิเราจะรู้ได้อย่างไรเราต้อเห็นกระบวนการนะ ไม่กระบวนการเราก็นึกเอาลรวมๆเร่งแรงมันจะเป็นยังไงเนาะอันนี้อันนี้สัมผัสไม่ได้เอาละ่ะทีนี้ถามว่าในขณะที่มานั่งยกมือสร้างจังหวะเดินยงกลมมาเนี่ยความรู้สึกตัวที่การเคลื่อนการไหวอะไรเนี่ยเริ่มรู้บ้างไหมเริ่มรู้ตัวเองบ้างไหมอากา ร, รบบ <c oughs> เอินการเหินภาพตาปากหายใจเนี่ยเริ่มรู้บ้างหรือยัง หายใจเข้าหายใจออกเย็นร้อนอ่ อ, อนแข็งเค็งตึงเริ่มสัมผัสตัวเองได้หรือยังได้มากแล้วฮะมันก็เริ่ม อ, อย่างนี้แหละถ้าหากว่าเริ่มรู้ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรือรู้ได้มากขึ้นทั่วเนื้อทั่วตัวภาพตาอ้าปากหายใจเล iff, really, ี้ยวใส่เลยหัวเย็นร้อนอ่ อ, อนแข็งเค็งตึงเริ่มสัมผัสได้ชัดนั่นแสดงว่าสติเริ่มพัฒนาเป็นอะไรเป็นสัมปชัญญะแล้ว แล้วความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเหล่านี้รู้สึกว่ามันมันมั่นคงขึ้นเรื่อยๆมั่นคงได้นานขึ้นเมื่อค่อยจิตไม่ค่อยวอกแวกไปกลับมาหาตัวไวขึ้นอันนี้สัมผัสพัฒนาเป็นได้ได้แล้วเป็นสมาธิได้แล้วนะถ้าหากว่าจิตของเรามาอยู่กับปัจจุบันได้นานก็ไม่ค่อยสมาธิก็เข้มแข็งขึ้นละได้นานเข้าไปเริ่มเห็นอะไรชัดเจนแสดงว่าสมาธิเริ่มเปลี่ยนเป็นอะไรได้แล้ว เป็นปัญญาพิสูจน์ได้นะไม่ใช่ว่าพิสูจน์ไม่ได้แต่เราจะต้องทัชเราะต้องสัมผัสสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตัวเองไม่ใช่ไป น, นึกไปคิดเอานะน ม, นมันเป็นของมันเองมันเป็นของมันเองอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราสมัยไม่ได้มานั่งฝึกแบบเนี้ไอ้ความรู้เนื้อรู้ตัวพิกซ้ายพิกขวาพิกหน้าพิกหลังเนี่ยเราเคยเห็นมันชัดชัดบ้างไหมไม่เคยร้อยวันพันปีพม่เคยเห็นตัวเองเลยใช่ไหมมีแต่วิ่งไปเกิดความคิด แต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มรู้จักตัวเองเป็นพักๆอะ่ะซึ่งมันไม่เคยเป็นมาก่อนใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เริ่มเป็นใช่ไหมสัมผัสได้ไหมได้ไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับอะไรเลย <S 2> <S 2> <S นี่คือคื อ, ค, อคือเบื้องต้นแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นี้นะเราต้องพัฒนาต่อไปนะไม่ใช่ทํามวันเจวันแล้วมันจะตั้งมั่นเลยสําหรับในชั้นเราเนี่ยยังไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้สั่งสมเรื่องนี้มา ก่อนนะเพราะงั้นเราก็สักกี่วันค่ะอย่างคนนาหนาไกี่วันแล้วองขงพ่อหนาที่สุดอะพ่อก็งั้นพ่อก็ใช้เวลาแค่สิบหวันนะสัมผัสได้นะแต่ว่าถ้าหากว่าหายสงสัยนี่ใช้เวลาหลายปีหน่อยเมันก็รู้ไปตามลำดับอะขึ้นอยู่กับว่าเราจะขยันมากน้อยแค่ไหนขยันแล้วก็สังเกตพิสูจน์สังเกตพิสูจน์ไปเรื่อยๆประการสําคัญคือ ต้องกินลูกลูกมาดันอย่ากินลูกท้อแต่กินลูกท้อนี้ไปไม่รอดแน่ต้องดันสู้ไปเรองนี้กินมาดันอย่เปรี้ยวหน่อยชื่อมันถ้ากินลูกท้ออาจจะหวานหน่อยแต่ว่ามันไม่ไหวมันท้อ น, นะเพราะฉะนั้นมาว่าไม่แย่อันนี้คือวิธีการในการที่จะศึกษาเรื่องนี้ได้ได้ดีนะอันนี้หลวงพ่อพูดถึงเรื่องของจิตใตจสํานึกที่จะต้องไปพัฒนาบริหารถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเรื่องนี้นะทีนี้ จิตได้สํานึกถ้าเป็นรูปรธรรมเนี่ยถ้าเรานึกถึงความเป็นจริงเมื่อเครื่องบินมันหม่งโลกตกลงมาเนี่ยเขาหาอะไรก่อนอากกอหากล่องดําในเครื่องเ<ร>มันมีความสัมพันธ์ยังไงกล่องดำบันทึกเวลาทั้งหมดใช่ไหม<ร>ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในเครื่องนี่ยมันจะเขาจะมันจะมีเซ็นเซอร์รับเข้าไปในบันทึกไวในกล่องดําหมด<ร>ใช่ไหมเพราะนั้นตัวจิตไต้สํานึกก็คือแบล็คบ็อกนั่นเอง แบล็กบ็อกซ์คือกล่องดําในในตัวเราเนี่ยเราจิตก็จิตใต้สํานึกหรือสับคอนชีสและตัวนี้มีความสําคัญเราจะต้องคลีนอัพทาความสะอาดไอ้เจ้าตัวนี้ให้สะอาดได้ไม่งั้นอาสวะเราไม่หมดหมายความว่าเมื่อเราจิตรู้สํานึกเรารู้ว่าไอ้มแมลงแมงมดทั้งหลายที่มันขึ้นมาลบวนข้างบนเนี่ยเวลาเผือเนี่ยมันต้องมาจากใต้ถุนบ้านแน่เพราะนั้นใต้ถุนบ้านน่ยมันจะเป็นที่หลบของก็ไปทําความสะอาดหมดเลย เนี่ยนะคุณใในร่างกายนี่มันสร้างสร้างวิจิตพิสดารโอ้เนี่ยที่ว่าเกิดเป็นมนุษย์นี่นะโชคดีที่สุดเพราะอะไรเพราะเราได้โมเดลร่างกายนี่มาเนี่ยเป็นของวิเศษมากนะมันอาศัยวิวัฒนาการกว่าจะมาเกิดมาเป็นเราได้เนี่ยหลายหลายล้านปีนะตั้งแต่ต้นมีสัตว์ขึ้นมาใช่ไหมวิวัฒนาการมาเท่าไหร่กว่าจะมาเป็นเราเนี่ยผ่านความเป็นสัตว์ บกสัตดน้ําสัตว์ครึ่งบกขึ้นน้ํามาเป็นกบเป็นเขียดเป็นตะกวดตะเขตตะขงเป็นลิงเป็นข้างหวังชินนี้ขึ้นมาเป็นเป็นตัวมีชีวิตอยู่แล้วอ่ามันมีอยู่แล้วแต่มันต้องอาศัยการพัฒนามายาวนานแล้วมาเป็นตัวมนุษย์เป็นๆเนี่ยใส่แหวนเชื่อมองเห็นดวงตาปล่าพัฒนาขึ้นมาเป็นอะไรอะไรหลายล้านปีอะกูจะมาเป็นตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเราโชคดีมากนะใดเนี่ยและคนที่จะมี สมบูรณ์พร้อมโดยสติสัมปชัญญะไม่บกพร่องไม่ใบเบี้ยเสียฉดิตนี่นะก็ายากอีก น, นะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสมบูรณ์เลยใช่ไหมเ <c oughs> ขาเรียกว่าคนอะไรคนไม่เต็มร้อย <c oughs> ข, าขาดขาดเกินเกินเนี่ยนองนั้นน่ะแต่เกินมาแล้วไอ้ที่จะเต็มร้อยก็ยากนะแต่ละคนมั่นจะมีนิดๆหน่อยๆอย่างนั้นน่ะศึกษาให้ดีกันแล้วกันเน่ะโอ้ดีอะแต่ว่าพูดมากเกินไป <c oughs> อ๋อดีแต่ว่าไม่มันยังไงอ เออไ อ, อคนนี้ก็ดีเหมือนกันแเสียอย่างหนึ่งมันต้องมีาก็เสียอย่างหนึ่งเออมันไม่รู้กาลเทศะเออคนนั้นก็ดีในเสียอย่างหนึง่งมันขี้ขี้ขี้บ่นจู้จี้จุ้จิกแต่ละคนมันไม่เพอร์เฟกะแต่ถ้าหากว่าคนนั้นรู้เนื้อ ร, รู้ตัวมีสติปัญญาแก้ไขตัวเองในจุดบกพร่องจุดด้อยจุดขาดของตัวเองเรื่อยๆคนนั้นจะเป็นคนเพอร์เฟคในที่สุด คน future, เพอร์เฟกในสุดเขาเรียกเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นมนุษย์รีแท้เรียกว่าเป็นอัจฉริบุคคลนะเป็นคนที่ประเสริฐถ้าคนที่เริ่มแก้ไขตัวเองได้เนี่ยตั้งแต่ขั้นต้นเนี่ยเรียกเป็นพระโสดาบันแก้ไขตัวเองได้ยี่สห้าเ็มายควาข้อผิดพลาดต่างๆแต่ถ้าเป็นสกีทาคามีแก้ไขตัวเองได้ห0พระอนาคามีแก้ไขตัวเองถึงได้ 80% พระอรหันต์นี่แก้ไขตัวเองได้ร้อ เ, เป็นเลยเป็นเพอร์เฟกแมน เขาเรียกโนโบโนโบแมนใช่ไหมเป็นคนประเสดิจสุดละดังนั้นในพูทศาสนาคือการฝึกฝนตัวเองนั่นเองในศาสนาอื่นไม่ได้เน้นนะเน้นแต่ให้พระเจ้ามาช่วยเท่านั้นแหละไม่ได้ช่วยตัวเองเพราะนั้นเราโชคดีหลายชั้นหนึ่งโชคดีมาเป็นเกิดมาเป็นแหละเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ใช่ไหมแต่เราไม่สมบูรณ์ร้อเปร์เซ็นต์หรอกยังขาดตรงบางข้อเรื่องนั้นเนี้ก็มาฝึกฝนก็ อ, อาศัยคุณธรรมของพระพุทธเจ้า เขเริ่มฝึกฝนได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแลความประสิิ์ของเราก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ขึ้นถึงร้อยเปซ็นตั่เกี่ยวกับเร่มันรียว่าเป็นครรเก่าก็ไอความเด่นความด้อยในตัวของเราทั้งหลายเราก็เรียกว่ากรรมเก่าไงนั่นแนหะแต่ถ้าหาคนนั้นทํากรรมมาดีก็หมายความว่าความด้ยอยส่วนเสียส่วนด้อยทั้งหลายมันก็มีน้อยหน่อยแต่คนไหนมีกรรมมาบาง ส, ส, ส่วนเสียส่วนด้อยส่วนเสียมันก็มีเยอะหน่อยแค่นั้นเองมันแก้ไขได้ใช่ไหมกรรม แต่ว่าต้องมีการฝึกฝนฝึกฝนด้วยอะไรด้วยศีลสมาธิปัญญานะเพราะฉะนั้นเราโชคดีนะที่เกิดมาในพุทธศาสนาแต่เมื่อโชคดีที่เกิดมาในเมืองไทยใช่ไหมแต่ก็โชคดีที่เกิดมาในเมืองไทยนะว่าลักษณะของคนไทยนี่หายากนะีเพราะอะไรเพราะโลกมันจะพิจิตรควย่างงายไงคนไทยก็โห่ร้อยิ้ ม, มเฉยสนุกสนานกันเฉยอะ่ะไม่ต้องไปวิตกทุกข์ร้อนอะไร เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มาว่าคนไทยของเรายอมรับนลถือวัตถุศาสนามาสองพันกว่าปีถึงแม้ว่าจะไม่เป็นร้อยเปอร์เซนแต่มันก็ได้หล่อหลอมมันนะหล่อหลอมมิสัยของคนไทยเป็นคนที่ปล่อยวางได้ง่ายไม่ทวิสาหะความกันปฏิวัติกันทุกปีก็ให้อภัยกันทุกปีได้แต่ว่านเขาที่เผาบ้านเผาเมืองฆ่าล้างโคดกันมหาศาลเลยใช่ไหมของเราก็ไม่ถึงขนาดนั้นอันนี่เขาเป็นคนเดียวของคนไทยเขาวัฒาธรรมเขาเป็นดี ก็เราเขมีเนี่ยค่าล้างขั้วก็ไปกี่แสนกี่ล้านนะใช่ไหมแต่พ้านเราไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมเอออันนี้ความเป็นโชคดีของเราดังนั้นจึงอยากจะให้เราได้เห็นความสําคัญของชีวิตเราเราเกิดมาแล้วเราก็ควรจะฝึกฝนเมื่อเราไม่หมดยังไม่หมดกิเลสไม่หมดอสวาเมื่อเราตายไปที่ต้องไปเกิดอะไรข้างหน้าเนี่ยถ้าเราได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดีแน่นอนเวลาเราไปเกิดในภพใหม่ชาติใหม่เราต้องดีกว่านี้ใช่ไหม อาจจะเกิดเทวดาอินพุ่มขึ้นไปหรือเปรตเป็นพระยาเจ้าชั้นต้นๆอาจจะได้ไปเกิดอีกสักสองสามชาติี้นะมันก็จะดีฝ่าดีกว่าไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายในใดฉันสาสนาโลกเป็นในศาสนาอื่นถึงไม่ได้เกิดเป็นสิงสาระสัตว์ถ้าไปเกิดในประเทศอื่นเป็นศาสนาอื่นแล้วก็โชคไม่ดีเลยใช่ไหมเพราะศาสนาอื่นเขาไม่ได้สอนเพื่อให้ค้นคว้าตัวเองเนี่ยสอนเพื่ออ้อนวอนเทพเจ้ามาช่วย ตามหลักวิทยาศาสตร์มันใช้ได้ไหมมันไม่ได้ใช่ไหมแต่พุทธศาสนาคือหลักวิทยาศาสตร์นอันนี้คือโชคดีของเราก<ม>็ถ้าปรารถนากขอให้เกิดพบพุทธศาสนาอีกนั่นเองแต่พบพุทธศาสนาที่หลอกหอกเล่นๆอย่างทุกวันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ <c oughs> ไปโชว์เล่นเจ้าเข้าทรงลง <c oughs> อผี <c oughs> อะไรต่างๆก็ไม่ไหวงั้นกะให้มาศึกษาเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผลที่เป็นคำสอนที่สามารถจะตรองตามเห็นได้ตามความเป็นจริง มีเยอะใช่ผู้สันตถามว่าเรายัางทรงเจ้าเข้าผีอยู่เนอะใช่ไหมเล่นแลแปลธาตุก็เป็นฮินดูอ่ะนะนเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเราจะไปตกทางไหนแต่ให้เรามั่นใจว่าเกิดมาชาตินี้ต้องมั่นใจว่าตัวเอง ตายแล้วจะได้เกิดอีกไหมตายแล้วจะได้เกิดอีกสักกี่ชาติตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนเนี่ยต้องมั่นใจใช่ตอนที่เราเป็นเป็นนี่นะจะมั่นใจได้ไงก็คือมาฝึกปฏิบัติให้มากแล้วมันจะรู้เองมันจะรู้ของมันเองอย่างเราปัจจุบันเนี่ยพรุ่งนี้เราจะไปที่ไหนจะอยู่ยังไงเราพอเดารูไหมเมื่อวานเราอยู่ยังไงมาจากที่ไหนพอเดารู้ใช่ไหมอ่าอันนี้ชีวิตในอนาคตเราก็เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติให้ถูกต้องแล้ว ต่อไปเรารู้แล้วว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนแล้วคืนนี้จะนอนหลับฝันไม่ฝันเรารู้อะก่ อ, อ น, ออนพ่อผ ม, มพ่อผมป่วยถามพอ่อถามพอ่อพ่อตายแล้วพ่อจะไปไหนเนี่ยพ่อบอกไม่รู้เลยอือบอไม่รู้ไม่รู้เพราะฉะนั้นในคนในชั้นเราเนี่ยซึ่งมีการศึกษามีเทคโนโลยีพัฒนามาระดับหนึ่งแล้วเราจะต้องดีกว่าสมัยพ่อแม่ของเราทั้งในแง่ของด้านกายภาพและจิตวิญญาณ พราะอะไรเพราเรามีข้อมูลอะไรเยอะแยะให้ศึกษาแต่การที่เราไม่ศึกษาไม่เลยรู้ถือว่าเป็นข้อเสียเปรียบของเรานะสมัยก่อนพอ่อพ่อแม่ของเราไม่ได้มีข้อมูลไม่มีเทคโนโลยีให้สื่อาแบบนี้ใช่ไหมท่า น, นไม่รู้เราไปโทษท่านไม่ได้แต่เรานี่มีทุกอย่างให้ศึกษาแต่การที่เราไม่รู้นี่ถือว่าเราบกพร่องลนะเพราะฉะนั้นเองเอามาว่าให้ศึกษาเอาตัวสาระเบื้องต้นนี้ก่อน คือให้ได้สัมมาทิฏฐิสาระเบื้องต้นนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้สัมมาทิฐิสื่อและข้อมูลต่างๆปัจจุบันมันจะไปส่งเสริมให้เราเป็นคนมิจฉาทิฐิอย่า ง, งแรงแต่พาเราไปทางผิดตรงนรกลึกแล้ เ, เวียนไว่าได้เกิดอีกนับไม่ชาติไม่ทั้งเพราะมันมันสามารถให้เราเข้าใจผิดได้ลึกมากแต่ถ้าเรามีสัมมาทิฐิซะก่อนเนี่ยข้อมูลและสื่อต่างๆที่ออกมาเราจะเลือกรู้เลือกใช้เลือกศึกษา ในสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะในสื่อในเทคโนโล ย, ยีนั้นก็ในส่วนที่นำไปสู่ความเสื่อมก็เยอะใช่ไนำไปสู่ความผิดก็เยอะแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีส ม, มาธิที่เราก็เลือกไม่ถูกเราเห็นอะไรกงจับเป็นดอกบัวใช่ไหมเห็นช่วเป็นดกีก็มากมายอย่างที่เราปัจจุบันนะใช่ดังนั้นส ม, มาธิที่จะเกิดได้อย่างไรกาลังถามถางปุนข้างหน้ากำลังจะหลักอยู่เนี่ย อสมาธิถี่เกิได้ไงเอ้าไม่ได้ฟังเหรอโอ้ได้แล้วกําลังเจะหลับอยู่แสดงว่ากำลังม่วงนอนใช่ไหมใช่ไอติมสมาธิที่แปลว่าอะไรความเห็นถูกต้องความเห็นถูกต้องเห็นแบบไหนเห็นชอบเห็นถูกต้องเห็นแบบไหน ง่า ย, ายไม่ต้องนึกคิดยากเห็นทุกเรื่องเห็นแบบไหนหูความเห็นทุกต้องอ่ะเอเห็นในสิ่งที่เป็นความจริงอ่ะค่ะแต่ความถามต่อไปวความจริงคือเป็นแบบเกิดขึ้นมาแล้วที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเวช่นเหอนวันนี้อย่างนี้แค่ะเหตุ<อ>าการณ์ของวันนี้นเหตุการณ์วันนี้มันผ่านมาแล้วอ่ะแต่ความจริงหลวงพ่อใจเฉลอยไว้ตั้งเช้าแล้วนะเห็นสมาธิทีเห็นแบบไหน เห็นซื่อซื่อเห็นชัดชัดบอกก็หลายรอบแล้วนะถ้าไม่ถูกต้องก็ไม่เห็นซื่อเบื่อบางเห็นไม่เห็นไม่ซื่อบางมันไม่ถูกต้องแล้วใช่ไหมแต่เห็นถูกต้องก็เห็นซื่อซือเห็นชัดชัดอันนี้ในแง่ของกรรมฐานต้องเห็นแบบนั้นแต่ในแง่ของสมมุติเห็นว่าชีวิตนี้มันมีทุกจริงมันพ้นทุกได้จริง มีทุกจริงเข้ามาข้อมันมีนรกจริงมีเปรตจริงมีสุรกายจริงมีเดริชานจริงแต่มีการพ้นทุกข์ได้จริงก็คือมีการฝึกฝนได้มีการพ้นทุก์ได้มีการเข้าถึงความเป็นพุทธะได้นรกมีสวรรค์มีคุณพ่อคุณแม่มีใช่ไหมเห็นอย่างนี้เห็นถูกต้องตามสมมุติแต่เห็นตามสุ่บต้องตามปรมาก็เห็นซื่อๆเห็นชัดๆนั่นแหละเห็นแต่ เห็นตรงเห็นซื่อคือเห็นเป็นรูปอ่ะอย่างหลวงพ่อดูพวกเราเนี่ยคือคือรูปใช่ไหมถ้าหลวงพ่อไปเห็นเป็นผู้หญิงผู้ชายซื่อไหมไม่ซื่อแล้วเพราะคนเป็นผู้หญิงผู้ชายคือสมมติใช่ไหมแต่ปรมัตา์คือรูปกับนามแค่นั้นเองเห็นซื่อในเห็นว่าอ๋อเป็นรูปเป็นนามถ้าหลวงพ่อไปเห็นว่าผู้หญิงผู้ชายคนนั้นสวยคนนี้หล่อคนนี้ขี้เลงเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรความชอบไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วใช่ไหม ความรักไม่รักเกิดขึ้นแล้วแต่เห็นเป็นรูปเรีนามก็ความชอบไม่ชอบไม่เกิดเห็นชื่อซื่อคือเห็นอย่างนี้อ่าเรียกว่าสมาธิจิตแต่เห็นโอ้คนนี้ไม่ข้อท่าเลยเกิดความชอบไม่ชอบพอเกอดชอบไม่ชอบปั๊บคนอื่นไม่รู้แต่ว่าจิตแต้สมนึกเป็นไงบันทึกว่าเรียบร้อยแล้วอ่าบันทึกไว้แล้วแล้วก็มีผลออกมาเวลาเราเผือปั๊บไอ้ความชอบไม่ชอบก็แสดงออกมาทางไหนคําพูดของเรา สีหน้าท่าทางของเราบุคลิกของเราใช่ไหมถ้าฉันไม่ชอบฉันหน้าฉันอีกแบบหนึ่งนะถ้าฉันชอบหน้าฉันก็อีกแบบหนึ่งถ้าฉันชอบความพูดฉันก็อีกแบบหนึ่งถ้าฉันไม่ชอบความพูดก็อีกแบบมันจะออกมาทางนั้นโดยที่เราไม่ได้จีดจ้าเลยเพราะอะไรเพราะเราได้เห็นไม่ซื่อ น, นั่นเองไปเห็นเป็นสวยไม่สวยชอบไม่ชอบดีไม่ดีขี้เลีย อ่าไม่ขี้เหร่แล้วปั๊บมันปรุงแต่งต่ออ่านั่นแหละในข้อเรื่อจิตไร้สํานึกทํางานแต่ถ้าหาเรามีสติเห็นปั๊บก็คือเห็นแล้วจบจบคือรูปกับนามเขาเองอ่ายากไหมแบบเนี้ยถ้าเราไม่ได้ฝึกมันจะเกิดไหมเนี่ยแบบเนี้ยไม่ฝึกมันไม่เกิดใช่ไหมร้อยทั้งร้อยก็เห็นแล้วชอบไม่ชอบไปสวยไม่สวยถูกผิดไปทางนั้นนะลอยลอยสูงไปอีกตังที่วาเห็นปั๊เห็นเป็นเห็นเป็น ลัพยายามพุ่งคิดไปสูงได้คิดธรรมดาก่อนดิโยมชอบคิดสูงอยู่เลยเละเอาละที่อันนี้คือวันนี้พูดถึงดึงจิตเรื่องใส่สำนึกเข้าใจนะเพราะฉะนั้นต้องทำจิตไรสำนึกให้เป็นจิตอะไ ร, รให้เป็นจิตดูสำนึกน ก, การที่จะแปลงจิตได้สานึกให้เป็นจิตทีสำนึกต้องมี สติสมาธิและปัญญาสติสมาธิปัญญาจะเกิดต้องอาศัยศรัทธาและความเพียรอ่าบอกมามี่กี้นี่เองเจ้า <laughs> สติสมาธิปัญญาจะเกิดต้องอาศัยศรัทธาและความเพียรความเพียรก็ต้องโอดทนนั่นแหละในความเพียรตรงนั้นมันมีคาว่ออาวิริยะบางขันติบางอุสาหะบางอยู่ในคาว่าความเพียรหมดนะแต่พรุ่งนี้ก็จะพูดถึงความเพียรต่อ เนาะวันนี้อเอาแค่นี้พอนะก็ขออนุโมทนา